วิธีดูหน้าตาของความหลงการจะดูหน้าตาโมหะในใจตนให้รู้จักจึงอาจดูได้ด้วยการดูทุกทโทษภัยที่เกิดแก่ตนแม้มีมากก็รู้ได้ว่าโมหะในใจตนมีมากจึงเป็นเหตุให้คิดผิดเห็นผิดจนถึงทำผิดมาก ได้รับผลเป็นทุกโทษภัยมากคิดผิดเห็นผิดทำผิดในทางใดมากก็รู้ได้ว่ามีโมหะในทางนั้นมากเช่นคิดผิดเห็นผิดว่าบุญบาปไม่มีแล้วทำบาปมากก็รู้ได้ว่ามีโมหะมากในเรื่องบุญบาปโมหะหรือความหลงผิดไม่มีปัญญารู้จริงในตัวอย่างนี้แหละ ที่จะทำให้ความทุกข์ในวัฏฏะสงสารเพิ่มมากขึ้นมิใช่อย่างเดียวกับความไม่มีปัญญารู้ในเรื่องการศึกษาเล่าเรียนหรือในการหาเลี้ยงชีพให้สมบูรณ์พูนสุขที่เป็นปัญญาในทางโลกแท้ๆซึ่งไม่นับเป็นโมหะหรือความหลงดังนั้นเมื่อจะทำโมหะหรือความหลงที่มีอยู่ในสามัญชนทุกคนให้ลดน้อยลงจนถึงหมดสิ้นไปคือจนถึงเปลี่ยนสภาพจิตใจ จากความเป็นปุตุชนให้เป็นอริยบุคคลต้องอบรมปัญญาให้ยิ่งขึ้นเป็นลำดับและต้องเป็นการอบรมปัญญาที่จะทำให้กิเลสคือตัวโมหะลดน้อยลงนั่นก็คือต้องอบรมปัญญาที่จะทำให้ความทุกข์ในการต้องเวียนว่ายตายเกิดให้ลดน้อยลงเป็นลำดับจนถึงหมดสิ้นไปได้มีความสุขอย่างยิ่งจนถึงได้มีบรมสุขคือถึงพระนิพพาน อันเป็นผลสูงสุดของการทำดีได้ดีในพระพุทธศาสนาที่ไม่มีในศาสนาอื่นปัญญาเท่านั้นที่จะทำให้โมหะหรือความหลงผิดลดน้อยลงได้จึงต้องตั้งใจจริงภาคเพียรอบรมปัญญาในทางพระพุทธศาสนาให้สม่ำเสมออันหนึ่ง อันความง่วงเงาหานอนเสื่องซึมฟุ้งซ่งซานลังเลเคลือบแคลงสงสัยก็เป็นโมหะเพราะนิวรณ์หรืออาการดังกล่าวนั้นเป็นเหตุให้ความคิดความเห็นความเชื่อและความรู้ผิดไปจากความจริงผู้ที่ง่วงที่ซึมที่ฟุ้งที่ลังเลที่สงสัยเป็นผู้ที่ปัญญาไม่อาจเกิดได้ และเมื่อปัญญาไม่เกิดโมหะก็เกิดนี้เป็นธรรมดานึกถึงตัวเองก็จะเห็นได้ไม่ยากเวลาที่ง่วงหรือซึมหรือฟุ้งหรือลังเลหรือสงสัยย่อมเป็นเวลาที่ไม่อาจใช้ปัญญาพิจารณาให้เกิดความคิดความเห็นความเชื่อหรือความรู้ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงได้ตามสมควรเวลานั้นเป็นเวลาที่มีโมหะมากมีความหลงผิดมาก ถ้าจะเปรียบความหลงเป็นความหลับความคิดความเห็นและความเชื่อความรู้ของผู้มีความหลงก็เปรียบเหมือนความฝันคือไม่จริงแต่ขณะฝันหรือขณะมีความหลงย่อมคิดว่าจริงย่อมยินดียินร้ายไปตามเหตุการณ์ที่ประสบทุกคนจะรู้ว่าฝันต่อเมื่อตื่นแล้วเมื่อยังหลับฝันอยู่จะคิดว่าเป็นความจริง ผู้หลงอยู่ก็เหมือนกันเรียกได้ว่าเป็นผู้ฝันไปทั้งกำลังตื่นอยู่เมื่อประสบโลกธรรมธรรมะสำหรับโลกอันเป็นอิทธารมณ์อารมณ์ที่น่าปรารถนาเช่นลาบยศสรรเสริญสุขก็ตื่นเต้นยินดีเมื่อประสบอนิธาารมณ์อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเช่นเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทกุก็ยินร้าย ฟุบแฟบเสียใจเพราะรู้สึกว่าเป็นการได้การเสียจริงๆเมื่อได้ก็ดีใจเสียก็เสียใจนี้เป็นธรรมดาของสามัญชนแต่เมื่อพูดถึงในกระแสธรรมะก็เรียกว่าเป็นความหลงนอกจากนี้ยังมีความสำคัญผิดเชื่อผิดต่างๆ ในเรื่องทั้งหลายซึ่งเป็นตัวความหลงอย่างชัดแจ้งอีกมากทุกคนเมื่อพิจารณาดูเหตุการณ์ที่ตนเองประสบอยู่ก็ย่อมรู้ว่าได้เคยมีความเห็นความเข้าใจและความเชื่อผิดมาแล้วหลายสิ่งหลายอย่างขณะไม่รู้ก็ย่อมเห็นว่าจริงครั้นรู้แล้วจึงจะเปลี่ยนความเห็นได้ว่าไม่จริงเป็นความสำคัญผิดเชื่อผิดของตัวเอง สรุปได้ว่าโมหะความหลงผิดถือเอาผิดนี้คือถือเอาผิดจากสัจจะตัวความจรงิงสัจจะคือตัวความจริงเป็นอย่างหนึ่งถือเอาเป็นอย่างหนึ่งเช่นสัจจะเป็นทุกข์แต่ถือเอาเป็นสุขสัจจะจะเป็นเหตุเกิดทุกข์ถือว่าไม่ใช่เหตุเกิดทุกข์สัจจะเป็นความดับทุกข์ถือว่าเป็นความไม่มีสุขสัจจะเป็นทางปฏิบัติให้ดับทุกข์ ถือว่าให้เกิดทุกข์ฉะนั้นเมื่อมีโมหะถือเอาผิดจึงเหมือนหลับแล้วฝันเห็นบ้างรางๆแต่ไม่จริงหลงยินดียินร้ายอยู่คนสามันเป็นดังนี้และยากจะรู้สึกว่ากำลังหลับฝันอยู่ก็เหมือนคนหลับฝันไม่รู้สึกตัวคิดเห็นในขณะฝันว่าเป็นจริง พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ตื่นด้วยความรู้ในสัจจะทั้งหลายตามความจริงทรงเห็นทุกว่าเป็นทุกทรงเห็นเหตุเกิดทุกความดับทุก์ตามเป็นจริงและทรงเห็นสัจจะทางปฏิบัติให้ดับทุกจึงทรงรู้โลกธรรมตามจริงจะเป็นอิทธารมณิธ า, ารมณ์ก็ตามทรงรู้ว่าเป็นธรรมะคือเรื่องของโลกอยู่ในโลกจะเป็นปุตุชนหรืออริยบุคคล ก็ต้องพบโล ก, กธรรมซึ่งเป็นเรื่องโลกจะปรารถนาหรือไม่ก็ต้องพบและได้ทรงตรัสสรู้ว่าโล ก, กธรรมทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนเป็นธรรมดามีได้ต้องมีเสียเมื่อยึดเอาไว้ก็จะเป็นทุกข์ไม่ต้องเป็นเรื่องภายนอกชีวิตนี้เองเมื่อมีเกิดก็ต้องแตกดับเป็นโล ก, กธรรมเหมือนกันไม่มีใครบังคับเอาไว้ได้ เมื่อทำความรู้ให้เข้าถึงความจริงดังนี้ก็จะไม่ไปฝืนโลกไม่ไปรั้งโลกเหมือนรั้งดวงอาทิตย์ไม่ให้โคจรโลกหมุนก็ให้หมุนไปโลกกะธรรมก็หมุนไปด้วยมีเช้าแล้วก็สายบ่ายเย็นจะให้เช้าอยู่เสมอไม่ได้แม้จะเย็นค่ำไปแล้วก็จะกลับมาเช้าใหม่ธรรมดาหมุนเวียนอยู่ดังนี้ ผู้มีความรู้ในคติธรรมดาของโลกธรรมตามสัจจะไม่ยึดถือในทางผิดธรรมดาปล่อยให้เป็นไปตามธรรมดาคือปล่อยวางเรียกว่าเป็นผู้ตื่นด้วยความรู้ปราศจากโมหะคือความหลงจะไม่มีความยินดียินร้ายความฟูขึ้นฟุบลงอีกต่อไป